<c oughs> ครับ <c oughs> ก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวคุกเข่ากราบพนระพร้อมกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับ <c oughs> ก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสํารวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับ สาตุ์ปรมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจธาสันทิธาสัตตาปราชากชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปชัง ขอการครูบาอาจารย์ทุกทุกองนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนโมตัสสะ พขาวะโตอระหะโตสัมมาสัมบุตธธัสสะสเบสังขารานิจาสัสเบสังขาราดุขขาสบเบธรรมาอนัตตาปูชาจะปูชนิยานังเอตัมมังขลมุตตมันติ <c oughs> วันนี้ก็เป็นเวลา วันนี้เวลานี้เป็นวันเป็นเวลาที่เป็นอุดมมงคลต่อไปนี้พวกเราเตรียมจิตเตรียมใจฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราบอกสอนเรื่องอัจเรื่องธรรมเป็นธรรมะที่สืบช่วงมาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นน ได้ยินได้ฟังได้น้อมนำมาประพฤติมาถือประพฤติมาถือปฏิบัติมาขยายผลให้ได้อัดให้ได้ทำเข้าสู่หัวใจเป็นเหตุดึงดูดจิตใจของพวกเราตรงนี้ที่นี่เป็นวัดสังฆทานวันนี้เป็นวันพิเศษเราก็คุยทราบบ้างว่ามีการ แสดงธรรมทุกวันเสาร์และวันพระถือว่าตรงนี้เป็นลานธรรมเป็นเวทีธรรมพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอัดธรรมหลายรสหลายชาตินะก็หลายจริตหลายนิสัยแล้วแต่ใครจะชอบจะเลือกเอารสชาติแบบไหนนะเป็นเวทีประลองธรรมก็ได้นะ เป็นเหตุให้พวกเราได้เข้ามาฝึกฝนอบรมตรงนี้เป็นมรดกธรรมของท่านพระอาจารย์สนองกะตะปุญโญท่านเป็นคนมาวางรกรากอยู่ตรงนี้ตอนนี้ท่านล่วงไปแล้วได้กี่ปีนะสมปีละ่ะสมปีพระอาจารย์สนองท่านล่วงไปแล้วสมปีเมื่อตอนอายุเท่าไหร่ห้าหิบปด พรรษาสี่เอใช่ไหมเราไม่ค่อยได้ทราบประวัติของท่านแต่ท่านก็ดำเนินการฝึกฝนอบรมยึดถือแนวทางปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างครูบาอาจารย์ตอนหลังมาช่วงยุคมีการเผยแพร่ธรรมะทางวิทยุทางทีวีท่านอาจารย์พระอาจารย์สนองท่านก็เดินเคียงข้างไปกับวัดป่าบันตาด โดยหลวงตาพระหมหาบุญญาสัมปันโนช่วยกันประกาศช่วยการเผยแผ่บอกสอนพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะในบ้านเราเมืองเราและมีการออกไปทั่วโลกเ่างั้นนะด้วยเหตุที่เรามีสื่อดีทุกวันนี้ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งอะไรอีกหลายอย่างซึ่งเราตามเขาไม่ทันไม่รู้จักม <c oughs> พวกเราทั้งหลายนะว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นสิทธิ์เป็นศิท์เสียนุสิทิ์รวมทั้งบันประชิตและคราวาดของวัดสังฆทานนำโดยพระอาจารย์สนองกะตะปุญโญเราได้ยินกิตติศัพท์ท่านมานานแล้วท่านอาจารย์สนองเนี่ยท่านพาหมูปฏิบัติธรรมพาเดินทุ ด, ดงโอ้ทุ ด, ดงโหดทุ ด, ดงมาราทอน เราได้ยินได้ฟังนับว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่พาทำให้เป็นเยี่ยงอย่างขอ ง, ของพวกเราได้เป็นอย่างดีเนี่ยเยี่ยงอย่างของครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมานี้ถ้าเราจะตั้งเอาไว้เหมือนหลวงตาท่านเทศหนะลวงตาท่านว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเหมือนกระดังดำให้กับลูกๆผู้เป็นพ่อเป็นแม่เปรียบเสมือนกระดังดำให้กับลูกๆ ครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นเปรียบเสมือนกระดานดำให้กับสิทธิยานุสิ์ได้เห็นคําว่ากระดานดำในทีน่นี้หมายว่าพฤติกรรมทุกอย่างที่ท่านบอกท่านสอนเหมือนถูกบอกถูกสอนบนกระดานดำใครที่จะเอาคติตัวอย่างไปถือไปประพฤติไปปฏิบัติเราก็จะเห็นอยู่บนกระดานดำในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านพาทำวัดพาสวดมนต์พาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพาเดินจงกรมพาทอดกระถินทอดผ้าปา่าพาเผยแผ่ธรรมพิมพ์หนังสือพิมพ์ซีดีออกวิทยุออกสื่อโทรทัศน์ไปทั่วโลกทันสมัยมากเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ของท่านเนี่ยเราเคยมาตั้งแต่สมัยกำลังเริ่มสร้างใหม่ๆยังไม่เสร็จ ท่านอาจารย์สนองนี่แหละท่านพาเดินดูท่านพาเดินดูน เ, ดนดเดินชมเพราะตอนนั้นพวกเราก็กําลังรื้อฟื้นอยู่ทางนน้นท่านอาจารย์สนองท่านก็ขึ้นอยู่ทางนี้ก็มาดูมาดูเยี่ยงอย่างมาดูแต่เราสู้ท่านไม่ได้ดอกเพราะท่านอยู่ในอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงพวกเราถึงจะมีอะไรทําก็สู้ท่านไม่ได้เพราะเราพวกเราบ้านนอกแต่ก็อาศัยว่ามีลุงตาท่านเป็นหลักเป็นประธานอ่า แล้วก็สามารถตั้งรกตั้งรากได้มีสถานีวิทยุแล้วก็มีทีวีแต่ก็เป็นอาศัยาจาร์ดาวเทียมต้องเช่าต้องเช่าดาวเทียมเขาต้องเช่าไทยค ม, อมตอนหลังมาท่านอาจารย์สนองท่านก็จัดทําแล้วก็ได้เดินเคียงข้างกันไปพวกเราชื่อว่าเราทําพระพุทธศาสนา ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้เป็นหมันถ้าหากพระพุทธศาสนาไม่มีการบอกไม่มีการสอนเหมือนกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหมันถ้าเราจะเทียบกับเหมือนน้ําบ่อเหมือนน้ําคลองที่ไม่มีการไหลเป็นน้ํานิ่งมีโอกาสที่จะเน่าเฟะใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยจะได้ไม่มีความใสสะอาดแต่ถ้าเป็นน้ำใสเป็นน้ําไหลแล้วมันจะมีการถ่ายไปถ่ายมา ทำให้เกิดความใสสะอาดพนะระพุทธศาสนาของเราก็เช่นเดียวกันจักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องหมุนไปเรื่อยๆถึงจะเกิดประโยชน์จักธรรมหมุนมาครั้งแรกวาระแรกเห็นไหมพระัญญาโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยหัวข้อธรรมที่ว่ายังกินจิสมุทยะธรรมมังสบันตังนิโรธธรร ม, มังสิ่งไดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา อันนี้มันก็เข้าลักษณะสบเบสังขาราอนิจจาสบเบสังขาราทุกข์ขาสบเบธรรมานัตตาท่านก็ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาช่วงหนึ่งขั้นหนึ่งระดับหนึ่งของท่านจนเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าท่านอุทานออกมาัญญาสิวัตโพโกลดัญโยัญญาสิวัตโพโกลดัญโยโกนธัญญะพระ พระโกณธัญญะได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอจึงได้ชื่อว่าอัญญาสิัญญาสิรู้แล้วหนอรู้แลนออ่ามีชื่อนำหน้าพระอัญญะโกนธัญญานั่นคือแรกเริ่มท่านบนรรลุธรรมด้วยเหตุใดบรรลุธรรมด้วยเหตุที่ว่าจิตใจของท่านเนี่ยเป็นไปตามกระแสธรรมของพระพุทธเจ้ากระแสธรรมของพระพุทธเจ้าต้องหยั่งลงถึงไตรลักษณนนิจังทุกขังอนัตตาขั้นหนึ่งระดับหนึ่งของท่าน พระโสดาบันก็คือขั้นหนึ่งระดับหนึ่งของพระโสดาบันขยับขึ้นไปอีกพระสกีทาคาพระอนาคาท่านก็เห็นอย่างละเอียดลึกเข้าไปอีกพระอนาคาละเอียดลึกเข้าไปอีกทิ้งหมดรูปปราคาอรูปป ร, รูปปราคะรูปรักโทส ะ, ะราคะโทสะเนีาา่ยหมดสิ้นไปจากขันธสันดานถึงขั้นอนาคามี จานั้นแล้วเหลือแต่ภายในที่สเรียกว่ารูปประชานอรูปประชานรูปปรารปประคะมีความยินดีพอใจเพลินใจกับกับฌานละเอียดลึกเข้าไปข้างในรูปปรคาคะอรูปปรคาคชมานะอุทธจักอวิชชาเราพิจารณาตามนี้มาแล้วเราจะเห็นธรรมะข้อหนึ่งที่พาให้พวกเราติดค้างมาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงบัานปลายสุดท้ายปลายแดนทีเดียวเลย เช่นอย่างมานะเราไปดูในมานะเก้าตามหลักที่ท่านพูดเอาไว้ตัวดีกว่าเขาสาคัญว่าตัวดีกว่าเขาตัวเลวกว่าเขาตัวเสมอเขาแต่ด้วยเหตุที่ว่ามีมานะอยู่ในตนละเอียดมากนะลองพิจารณาตามดูลองนักปฏิบัติทั้งหลายลองพิจารณาตามดูลองพิจารณาตามดูา ต, ามดตัวเองดีกว่าเขา เรามีความสำคัญว่าดีกว่าเขานี่ก็ยังไม่ใช่ตัวเองดีกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขานี่ก็ยังไม่ใช่ตัวเองดีกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขานี่ก็ยังไม่ใช่อันนี้คืออันนี้คือรอบหนึ่งตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าดีกว่าเขานี awesome. ่ก็ยังไม่ใช่ตัวเองเสมอเขาสาคัญว่าเสมอเขานี่ก็ยังไม่ใช่ตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขานี่ก็ยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่ อ, อ, อีกรอบหนึ่งตัวเองเลวกว่าเขาสำคัญว่าดีกว่าเขานี่ือยังไม่ใช่ตัวเองเลวกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขานี่ก็ยังไม่ใช่ตัวเองเลวกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่า şeyi, สสเขาก็ยังไม่ใช่อีกใช่ตรงไหนไอ้ที่มันใช่มันใช่ใช่ตรงไหนมันใช่ตรงที่ว่าปล่อยวางได้หมดไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรเลย วางได้ยังไงปล่อยได้ยังไงวางได้ยังไงละได้ยังไงคำว่าความสำคัญมั่นหมายในที่นี้หมายความว่ามีความกะความเกณฑ์ความเทียบความเคียงอยู่ในนั้นแหละคำว่าความสำคัญความสาคัญคือยึดเอาถือเอาสำคัญมั่นหมายเอากะเอาเกณฑ์เอาบังคับเอาการบังคับเอาให้เปลี่ยนไปตามใจหวังนี่แหละะเรียกว่าบังคับเอาหมายเอาหมายเอา มันก็ยังเป็นสัญญาอารมณ์อยู่ยังเป็นการคาดยังเป็นการหมายยังยังเป็นการเดาพระโสดาบันของท่านก็ยังมีอยู่อ่าพระสกิทาคาพระอนาคาคาก็ยังมีอยู่พระอนาคาคาบำเพ็ญไปยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงอารัฐมรรก็ยังมีมานะความถือตัวตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพึงมาเทียบเคียงหัวใจของเราทิฏฐิมา n ะของเรา มียังไงละได้ยังไงปล่อยได้ยังไงวางได้ยังไงไม่ไปสำคัญมั่นหมายสิ่งใดที่เป็นรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามนามธรรมที่เป็นวัดที่เป็นอัตภาพร่างกายของเราก็ตามที่เป็นจิตใจของเราก็ตามที่เป็นอารมณ์อยู่รอบข้างจิตของเราก็ตามวัตถุรอบข้างตัวเรารวมไปถึงวัตถุเต็มไปหมดในโลกเราปล่อยไว้หมด ไม่มีความไปสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งนุ่นต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีปลอยวางได้หมดทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมจิตดวงนั้นถึงจะเกลี้ยงเกลาบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงนี่เราพูดพอเป็นกรุยหมายป้ายทางเอาไว้ว่ากิเลสตัวนี้มันละเอียดมากตั้งแต่พื้ น, นไปจนถึงนุ่นแหละเรามาไล่ดูว่าสบเบสังขาราอนิจจาสบเบสังขาราทุกขา ก็ขึ้นชื่อว่าสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายคือส่วนส่วนที่ประกอบส่วนประกอบนี้เราดูไม่ยากเราดูเราดูง่ายเช่นอย่างเราดูเราแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเราดูไปเราเกิดในท้องแม่เราเกิดในท้องแม่อาศัยสังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันธาตุก็มากับสังขารพ่อสังขารแม่นั่นแหละประกอบกันในท้องแม่อันนี้คือสังขารที่เรา พ, อ, พอจะมองเห็นง่ายๆที่เป็นรูปธรรม สังขารที่เป็นรูปธรรมประกอบกันในท้องแม่จากนั้นแล้วมีวิญญาณเข้าไปสวมอยู่ในท้องแม่และสังขารก้อนนี้ก็จะไม่มีการคงที่อยู่กับที่เจรินวัฒนาถาวรขึ้นไปเรื่อยไม่มีการนิ่งอยู่กับที่เลยสังขารตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปอันนี้เราพูดถึงภาวะของความอุบัติเป็นมนุษย์พอเวลาธาตุของพ่อของแม่ไปประกอบกันในจังหวะที่ดีที่เหมาะมีวิญญาณเข้าไปสิงแล้วทําให้สังขารดวงนั้นเนี่ย ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยไม่มีการนิ่งอยู่กับที่เป็นน้าําใสๆเป็นน้ําข้นๆเป็นน้ําลังเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแล้วก็ขยายขึ้นไปเรื่อยจนเป็นปัญจสาขามีหัวมีมือมีลําตัวมีแขนมีขาครบ8 9, 9เดือน9้าเดือนก็ออกมานี่ถูกสังขารถูกผลักดันเข้ามาเรื่อยๆออกจากท้องแม่ม า, าในระหว่งางที่อยู่ในท้องแม่ก็ดูดอาหารจากแม่มีท่อ ท่อเลี้ยงท่อส่งคือสังขารเหล่านั้นเขามีเสื่อมไปสิ้นไปแล้วก็ดูดเข้าไปใช้เข้าไปตั้งแต่ไปเกาะกลุ่มกันก็เหมือนโรงงานโรงหนึ่งนี่ถ้าไม่มีอะไรป้อนก็หยุดนิ่งอยู่ก็ที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปเกาะสังขารตัวนี้ก็แทงออกมานี่สังขารระดูสังขารสิ่งที่ประกอบกันเป็นกองสังขารระดูไปในนี้เราดูอย่างนี้แล้วจะทําให้เราเห็นเป็นคติเป็นตัวอย่างในการที่เราจะน้อมนึกพิจรารณา ถึงภาวะความเป็นจริงของเราพอเราออกมาจากท้องแม่เสร็จแล้วพ่อแม่ก็ต้องป้อนด้วยข้าวป้อนน้ำนมพอโตขึ้นมารู้เดียงสาภาวะเราก็รับทานเข้าไปเองอสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็หิว3ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็หิวทำไมต้องหิวเพราะาธาตุภายในมันบกพร่องไปมันถูกบีบคั้นตัวเองอันนั้นก็เสื่อมไปอันนี้ก็โสมไปกลายไปเป็นเลือดกลายไปเป็นเนื้อ อยู่ในวัยเจริญก็จะเจริญขึ้นมาเป็นเด็กทารกเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนพอถึงกลางคนแล้วก็เหมือนกระสพานที่อยู่กลางกลางโค้งนั่นแหละก็จะเริ่มจะเริ่มอ่อนลงแหละตอนนี้จะเริ่มก้มลงอ่ะเป็นไปตามวัยกําลังวังชาก็ถูกอ่อนลงสังขารเหล่านั้นที่เคยปรุง จนมีความแข็งแกร่งแข็ ง, แ, ขงแรงอะไรก็จะเริ่มอ่อนลงอ่อนลงทุกอย่างเป็นผมเป็นขนเป็นตาเป็นกำลังวางชาจากนั้นแล้วก็สิ่งที่จะมาเกาะมารุมก็คื อ, อชราพยาธิสาะก็ะหมอณะก็จะพึงตามมาในสังขารทุกอย่างเขาเกิดขึ้นเกิดขึ้นมีภาวะอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เขาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ความไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ของสังขารแหละท่านเรียกว่าทุกขงังทุกขงัง ความเปลี่ยนไปของสังขารท่านเรียกว่าอ น, นิจจังอ น, นิจจังอันนี้คือภาวะคือกระแสของธรรมชาติอันนี้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครจะมาบิดมาเบือนมาดัดมาแปลให้เป็นอย่างอื่นไปได้เราจะมากะาเกณฑ์ให้เป็นอื่นก็เป็นอื่นไปไม่ได้ด้วยเหตุที่เรากะเกณฑ์ไม่ได้ให้เป็นไปตามใจหวังของเราพระองค์พระพุทธเจ้าท่านจิงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรอนัตตาแปลว่า กะเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ไอ้คำว่ากะเกณฑ์กะเกณฑ์ในฉนีดคืออะไรคือเกิดก็คือตัวทิฏฐิตัวมานะนั่นเองสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัวทิฏฐิตัวมานะก็คืออะไรก็คือเจ้าตัณหานั่นเองตัณหาก็คือสิ่งที่ติดมาอยู่กับจิตของเรารู ป, ปรธรรมเราเห็นแล้วว่ารู ป, ปรธรรมก็เป็นของสังขารเราเห็นที่มาของรู ป, ปรธรรมเราดูให้เลยท้องพ่อท้องแม่ท้องแม่เราไปได้ไหม เราดูให้เลยท้องแม่ของเราไปอีกก็ได้ว่าเกิดมาจากกรธตเดดของตันหาจริงหรือไม่อาศัยกิจของพ่อมีตันหาอาศัยกิจของแม่มีตันห า, า, ม, ม, นหานะมีความใคร้ด้วยตันหาประกอบกรรมกิจจนเป็นเหตุให้สังขารเหล่านี้มาประจวบเหมาะกันเห็นไหมเราจะเห็นไหมมาจากต้นต่อคือตันหาไหม อันนี้แหละมันอยู่เบื้องหลังที่จะเป็นเหตุให้เราไปเกิดในท้องแม่เป็นตันหาตันหาของพ่อกับตันหาของแม่ติดมากับกจิตของท่านอยู่แล้วยังมีตันหาใหม่ที่จะโผล่ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านประกอบกิจอันนี้จึงเป็นการสนองตันหา ทำตามอำนาจของความใคร่เกี่ยวกับเรื่องของของตัญหาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งผูกพันให้เราติดค้างอยู่ในโลกการมโลกรูปประโลกอรูปประโลกเราจะต้องติดค้างอยู่ในนี้นี่ตามสุภาษิตที่ขึ้นเอาไว้นั่นแหละสบเบสังขารานิจารสบเบสังขาราทุกขาสบเบธัมมาอนัตตาขามาสบเบธัมมาอนัตตาในที่นี้ไม่ใช่ว่าพระนิพพานก็เป็น ไม่ใช่พระนิพพานก็เป็นอนัตตาไม่ใช่นะไม่ใช่พระนิพพานก็เป็นธรรมะอนัตตาคำว่าสเบธรรมะอนัตตารมในที่นี้หมายถึงโลกิยธรรมไม่ใช่หมายถึงโลกุตรรธรรมให้เราเข้าใจด้วยพวกเราก็เอามาถกมาเถียงกันสเบธรรมะอนัตตาหมายถึงธรรมในส่วนที่เป็นโลกิยธรรมไม่ใช่ธรรมส่วนที่เป็นโลกุตรรธรรมเหมือนอย่างมรรคผลนิพพานไม่ใช่ แล้วไปเถียงเถียงกันยังไงก็ไม่จบบางคนก็เอาพระนิพพานเป็นอนัตตาเงี้ยเราพิจารณาอนนี้อาองทุกขังอนัตตาเพื่อเดินเข้าไปสู่พระนิพพานพอพิพจารณาได้แล้วเดินเข้าไปสู่พระนิพพานแล้วกลายเป็นว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นลูกตาท่านจึงว่าพระนิพพานพ้นจากอัตตาพ้นจากอนัตตาเราพิจรารณาดูสิลองเหตุลองผลไหมนั่นคือท่านเข้าถึงอย่างแท้จริง ครูบาอาจารย์ท่านเข้าถึงพระนิพพานไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อนัตตาอัตตาเกิดขึ้นจากอะไรตัณหาแหละมันพาใหเรานึกคิดคาดคั้นว่ากายนี้แหละเป็นเราเป็นของของเราเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราร่างกายอันนี้ตัณหาในหัวใจมันคาดคั้นให้เราเป็นอัตตาเมื่อมีอัตตาขึ้นมามานะทิฏฐิก็เกิดขึ้น เมื่อ ม, มีเมื่อมีทิฏฐิเกิดขึ้นทิฏฐิมานะก็เกิดขึ้นความต้องการความพอใจ ค, ความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ความแก่งแย่งความชิงดีชิงเด่นเราเห็นเรามองไปทุกมุมโลกเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจากปลายเหตุของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแต่เขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้ถูกอะไรผลักดันออกมาเขาไม่เคยรู้จักแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนเอาไว้หมดเนี่ย เพราะฉะนั้นพวกเราถือว่ามีปุเพกะตะปุญญาตาเป็นผู้สั่งสมอบรมไว้ในปางก่อนจึงเป็นเหตุให้พวกเราได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเหล่านี้และก็พร้อมที่จะถือประพฤติตามปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีสิ่งใดบ้างที่อยู่รอบข้างตัวเราที่จะคงที่แน่นอนอย่างศาสนาพราหมณ์เขาก็บัญญัติว่าโลกของพระพรหมเป็นโลกที่เที่ยงแท้แน่นอน พระพุทธเจ้าท่านกระทรงตรัสว่าตราบใดที่ยังมีพบมันจะต้องมีการเวลาไปจำกัดถ้าหากมีสถานที่จำกัดที่ใดมันจะต้องมีการเวลาไปจำกัดที่นั่นคาว่ามีการเวลาไปจำกัดก็คือมีเวลาไปกําหนดกฎเกณฑ์เช่นอย่างมนุษย์มีอายุเท่าไหร่เทวดาชั้นจะดวงดาวดึงยามาแต่ละชั้นแต่ละชั้นมีอายุจำกัดมากเท่าไหร่มีที่จำกัดต้องมีเวลาจำกัด พรมชั้นนั้นทั้งรูปประพรมทั้งอรูปประพรมไปอบัตตรงไหนที่ใดก็ตามมีสถานที่จำกัดเช่นอย่างโลกพระพรมนะรูปประพรมก็คือรูปประพรมคือสถานที่จำกัดอรูปประพรมก็คือสถานที่จำกัดก็ต้องมีเวลาจำกัดอาศัยว่าพวกพรมเนี่เขาตีบตันในปัญญาในปัญญาของเขาเองเขาจึงว่าเขานี่เที่ยงเขายึ่งว่าเขาเที่ยงเหมือนอย่างอุทกดาบท อาราระดาบทอาราระดาบทอุทกกระดาบทเนี่ยท่านได้สมาบัตดแปดดับชีวใยชวนไปก็ไปอบัตินู้นแปดหมื่นสี่พันกลับแปดหมื่นสี่พันกับนี่ก็หมดไปได้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันก็หมดไปได้ดูแต่พระพุทธเจ้าของเราเน่ยนับไม่ได้สี่อสงไข่แสนมหากับอืมนับไม่ได้สามสี่ครั้งการบําเพ็ญเพื่อตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าบางทีก็นับไม่ได้แปดครั้ง ศรัทธาธิกั่บางทีก็นับไปได้ถึง16ครั้งวิริยาธีกะ น, นี่มันก็สามารถหมดไปได้หมดไปได้บรรลุได้เสยสงข้ายแสนหากับก็สามารถบําเพ็ญจนได้บรรลุได้แปดอสงไขแสนหากับสามารถบําเพ็ญจนได้บรรลุได้16อสงไขยแสนมหากับก็สามารถบําเพ็ญจนครบจนได้บรรลุได้เห็นไหมหมดไปไหมการเวลาหมดไปทีนี้พวกพรม เขาไม่รู้จักเขาไม่เข้าใจเขาว่าเขาเนี่ยแหละเที่ยงอยู่บนโลกพระพรหมอันนี้พระพุทธเจ้าเอามาเปิดเผยให้พวกเราได้ยินได้ฟังแต่ว่าคุณธรรมของพวกพรหมนั้นน่ะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตที่ละเอียดถึงขั้นสมาธิรูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติสําหรับดับสําหรับดําดินบินบนสแสดงฤทธิเดชอภิญญาอะไรต่ออะไรได้หมดอันนี้เป็นเรื่องอิทธิฤทธิเกี่ยวกับทางด้านจิตใจสามารถทําไปได้แต่ถ้าหากดําเนินการไม่ถูกอ่า ยังมองเห็นว่าเป็นอัตตายังมองเห็นว่าเป็นตัวตนเรามาเห็นปรัชญาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละเมาบัติในถ้ำกลางเลยอนัตตาอนัตตาโอ้ทิมแทงหัวใจของพวกพระรามเขาทิมแทงมากเลยอนัตตาไม่ใช่ตัวตนปฏิเสธขึ้นมาทันทีถ้าเราจะเทียบไปกับคติธรรมตังฝ่ายเซนเขานะอ่าคติธรรมตั้งฝ่ายเซนเหมือนอย่างลูกศิษย์ของสังฆนายโยองที่ห้า ชินเชาเขาบอกว่าร่างกายเราเหมือนต้นโพนี่เราเคยดูหนังสือไว้หลังนะร่างกายเราเหมือนต้นโพจิตใจเราเหมือนกระจกเงาที่ใสสะอาดเรามีหน้าที่ที่มาคอยเช็ดฝุ่นบนกระจกเพื่อไม่ให้ฝุ่นลงเกาะกระจกให้กระจกของเราเนี่ใสสะอาดอยู่ทุกวนันทุกเวลาอันนี้หมายความว่าจิตยังไม่เข้าถึงยังไม่เข้าถึงคุณธรรมอย่างแท้จริงทีนี้พอเวไว้หลังมาเขียนเข้าทีนี้ปฏิเสธเลย ไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาเมื่อทุกอย่างว่างเปลา่าเราจะต้องมานั่งเช็ดอะไรเราฟังคติธรรมเหล่านี้เราจะเห็นว่าสโลกสองสโลกหรือคาถาสองคาถานี้แตกต่างกันยังไงขนาดไหนเนี่ยสัพเพธรรมมาอนัตตาที่พวกเราเข้าใจก็คือเข้าใจผิวเผินอย่างนี้เองเแล้วเราก็ไปคาดไปเดาไปหมายเอาเนี่ยาศาสนา อนัตตาอนัตตาเกิดขึ้นท่ามกลางศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นท่ามกลางศาสนาพราหมณ์โอ้รู้สึกว่าทิ่มแทงหัวใจของพราหมณมา์อันนี้เวลาใครมายืนมาถามมาอะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นทะลุโปร่ปรงท่านยืนกระต่ายขาเดียวสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาแต่ต้องเข้าใจความหมายด้วยคำว่าอนัตตาคาว่าอนัตตาเราปรารถนาวหวังอะไรไม่ได้สักอย่าง หวังอะไรก็ผิดหวังกับมันั้นหวังอะไรก็ผิดหวังกับมันนั้นกะเกณ์สิ่งใดก็ผิดผิดหวังกับมันนั้นหมายอะไรก็ผิดหวังกับอันั้นไม่สามารถจะกะเกณหรือหมายอะไรให้เป็นไปตามใจหวังได้เพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็มาทับถมหัวใจของเราเรามาพิจารณาดูว่ากองทุกข์ทั้งหลายที่ทับถมหัวใจของพวกเราทุกวันนี้มาจากความผิดหวังทั้งนั้นเลยเราลองไปแยกแยะพิจารณาดูว่า ที่เราประสบความทุกข์อยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นจากอะไรผิดหวังจริงหรือไม่มันเข้ากับธรรมะธรรมะว่าปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดไม่สมใจก็ประสบความทุกข์ชาติผิดทุกข์ฆ่าชราผิดทุกข์ฆ่ามรณะผิดทุกข์ขังความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความวิโยคพราดพลาก็เป็นทุกข์ จนถึงโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสสปายาตหรือปรารถนาสิ่งใดไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์นี่แหละปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามใจหวังเท่ากับเป็นบทขมวดเป็นบทสรุปอย่าไปคิดว่าเราปรารถนาแค่ต้องการให้ปัญจคันของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรามีความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามใจหวังของเราเองแต่ไม่เคยสิ่งใดที่จะทำให้เราสมหวังด้วยเหตุนั้นถ้าหากเราไม่เข้าใจเรื่องหลักธรรมะ ก็จะทําให้เราแบกทุกอมกองทุกขอยู่ทุกระยะทุกเวลานี่พวกเราชาวพุทธนี่ศึกษามาตรงนี้ทําความเข้าใจอยู่ตรงนี้ทําให้เราได้เปรียบทําให้เราไม่เสียเปรียบไม่หลงงมงายกับกิเลสตัณหาอาสวะจนเกินไปสิ่งที่พาให้เราหลงลุ่มหลงในหัวใจของเราเราก็ดูไปที่กิเลสในหัวใจของเราเมื่อกี้รูปธรรมเราก็พูดไปแล้วเกิดขึ้นจากอํานาจธาตุพ่อธาตุแม่ประกอบกันแล้วเราเจริญพัฒนาสาวนมาจากท้องแม่ เรามาดูนามมา ร, รมของเราจิตใจของเรานเทน่แหละธาตุรู้ของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่กับกับกนโบรชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้เราทราบได้แต่ว่าเรามาพัฒนาเท้าบอลมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์แต่มันไม่บริสุทธิ์มันมีเคลือบมันมีธาตุเคลือบธาตุธาตุแฝงปนเปื้อนมาด้วยที่จะเรียกว่าอาวิชชาตัหาอุ ป, ปาทานตา ม, มาด้วยถ้าเราจะพูดพิจารณาแบบง่ายๆก็คือธาตุรู้ของเรา ยังไม่ได้ถูกชะถูกล้างถูกซักถูกฟอกให้บริสุทธิ์นั่นเองพระฉะนนะพทุทธเจ้าท่านทรงอบัติมาเอามาซักมาฟอกเอามากีรานัยให้ธาตุรู้ดวงนี้บริสุทธิ์คือแยกสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาอาสวะออกไปหมดจากหัวใจเมื่อแยกออกไปหมดจดโดยชิ้นเชิงแล้วเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์จิตพระอรหันต์นั้นเหลือธาตุรู้หนึ่งเดียว เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นี่จะเรียกว่าบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบทสอนให้เราแยกธาตุที่เป็นมลทินออกจากหัวใจของเราวิธีการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดเราจะต้องมาเจริญสินเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญานี่อย่าลืมอย่าลืมหลักอย่าทิ้งหลักทิ้งศินไม่ได้ทิ้งศินแล้วโอกาสที่เราจะภานาให้ใจสงบเนี่ย สงบได้ยากยิ่งเราทิ้งความสงบด้วยแล้วเนี่ยไปพิจารณาเกิดปัญญาก็ยิ่งยากใหญ่เพราะอะไรเพราะจิตมันวอกวกแวมแนะตั้งอะไรขึ้นมาก็วอกวกแวมแแล้วหายไปแล้วตั้งอะไรขึ้นมาวอก ว, กวกแวมแก็หายไปแล้วตรงกันข้ามกับคนที่มีศีลศีลหนุนสมาธิเวลาเอาจิตมาทําจิตให้เวลาเอาจิตมาทําให้ได้รับความสงบจิตก็พร้อมที่จะสงบได้อย่างรวดเร็วเพราะมันไม่ผิดศีลแต่ถ้าหากเราผิดศีลพับ เราย้อนมาดูที่หัวใจของเราเราผิดศีลข้อไหนบ้างศีลข้อ1โดยเฉพาะศีล5ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5หรือแม้แต่ศีล8ที่เราตั้งใจออกจากบ้านมาแล้วเรามารักษาศีลแปดข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่เกี่ยวข้องผู้ชายไม่เกี่ยวข้องผู้หญิงผู้หญิงไม่เกี่ยวข้องผู้ชายสามีกับภรรยาก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้ข้อสาข้อสข้อห้าไม่ดื่มสุราไม่อะไรข้อข้อ6 ไม่รับทานอาหารในยาวิการตั้งแต่เช้าช่วดเที่ยงรับทานได้จากหลังจากเที่ยงไปจนถึงอรุณวันใหม่เป็นยาวิการรับทานไม่ได้นี่ข้อ6ข้อ7ไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายไม่ขับร้องประโคมดนตรีนัตยคีและก็มาลาแล้วก็นั่งนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีลองเราทําผิดข้อใดข้อหนึ่งมันจะเป็นเครื่องมารบกวนจิตของเราให้จิตได้รับความสงบยากเราพูดถึง สินแปดมันก็ยังละเอียดเกินไปเราพูดถึงศินห้ากันแล้วกันเดี๋ยวนี้เรามีความถูกความทุกขมากลุ่มรวมในหัวใจของเราเราย้อนไปดูว่าเราผิดสินข้อไหนบ้างเห็นไหมด้วยเหตุที่เราผิดศินเนี่ยจิตใจเราสงบง่ายไหมมันสงบไม่ง่ายเลยอันนั้นน่าจะอย่างนั้นอันนี้น่าจะงี้อนนันต้องเป็นอย่างงั้นอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่อย่างงั้นแหละมันก่อกวนหัวใจของเราทําให้ได้รับความสงบสงัดในหัวใจไม่ได้นี่เห็นไหมเห็นอันนี้สองการผิดสินไหม เพราะฉะนั้นเราโดดขึ้นมาภาวนาได้เลยเพอเราโดดขึ้นมาภาวนาเนี่ยมันจะเริ่มได้รับความสงบทางด้านจิตใจแล้วเราจะเริ่มรู้จักรักษาศินม้อยศินเกื้อกูลสมาธิสมาธิเกื้อกูลศินนะแต่พวกเราก็ไม่ทําแค่นั้นเราตล่อมเข้ามานับตั้งแต่ทานการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่การมีเมตตากรุณาเราก็ตะล่อมเข้ามาหมดซึ่งเป็นธรรมะจริยาที่เราประกอบไปแล้วได้ผลได้ประโยชน์ อันนั้นก็มีคุณสมบัติอันนั้นตล่อมเข้ามาอันนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้ตล่อมเข้ามาตล่อมเข้ามาตล่อมเข้ามากลายเป็นผู้มีบุญพร้อมด้วยบุญพร้อมด้วยคุณจิตใจของเราก็อ่อนน้อมเข้ามาอมีเมตตาโดยเฉพาะหล่อเลี้ยงมีเมตตาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้อ่อนให้โยนทุกระยะทุกเวลานี่เรียกว่ามีเมตตามาหล่อเลี้ยงทําให้จิตใจของเราได้รับความสงบสงัดได้ง่ายจิตที่สงบนั้นอ่ะคือจิตที่ที่ พร้อมที่จะเรียกว่าสมาธิสมาธิคือคือจิตตั้งมั่นจิตพร้อมเหมือนอย่างเราเตรียมตัวพร้อมที่จะทํางานจะทําอะไรจะฟันจะฟันมีดจะฟันฟืนจะฟันอะไรเราอยู่ในท่าทีที่พร้อมเรามีกําลังพร้อมเรามีมีดพร้อมมีความคมของมีดพร้อมมีฟืนที่กาลังจะให้ฟันบันอยู่ตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเราจะเขียนหนังสือบนมีที่นั่งมีโต๊ะมีหนังสือมีกระดาษมีกระดาษมีปากกา จับอยู่ในมือพร้อมที่จะเขียนลงไปตอนนั้นเดี๋ยวนั้นจิตใจของเรามีสมาธิไหมขอมาว่ามันอยู่ในท่าทีที่พร้อมจิตของเราไม่วัาแวกไม่คลอนแคลนไปนู้นไปนี้แต่ถ้าหากจิตไม่มีสมาธิตั้งขึ้นมามันก็หลุดหายไปตั้งขึ้นมาแล้วก็หลุดหายไปตั้งขึ้นมาแล้วก็หลุดหายไปคือกําลังของเรามันไม่พอสู้กําลังของตัณหาไม่ได้ตัณหามันไม่ยื้อแช่งเอาไปหมดตั้งขึ้นมาปุ๊บ มันปัดลงเลยตั้งขึ้นมาปุ๊บมันปัดลงเลยตั้งใจบริการพุทโธพุทโธพุทโธอัดเข้าไปในหัวใจเรากิเลสทีบออกมาใช่ไหมกิเลสมันอยู่ให้อยู่ที่ไหนมันทีบออกมาเลยนี่เป็นคําอุปมาเพราะอะไรเพราะมันตั้งไม่อยู่ตั้งปุ๊บมันก็หลุดไปตั้งปุ๊บมันก็หลุดไปตั้งปุ๊บมันก็หลุดไปจิตที่สงบคือความแนบแน่นมั่นคงตั้งมั่นมันอยู่ลึกมันอยู่ลึกเข้าไปข้างในมันไม่ใช่จิตอ่อนไหวเพลียพลาด ลองทําให้มีทําให้เป็นผู้ที่ท่านเป็นท่านเข้าใจดีจิต ท, ที่ได้รับความสงบนั้นนะเป็นจิต ท, ที่เกื้อกูลต้องการพิจรารณาเอางานใดก็ตามมาตั้งแล้วก็พิจรารณาทําให้เราเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนจะพิจรารณาธรรมบทใดบทใดบทใ ด, ทดก็จะทําให้เราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งลกตาท่านทําให้ให้พวกเราไม่สับสนให้เราอยู่กับสมถ ะ, ะเมื่อสมถะเต็มอิ่มถอนตัวออกมาท่านให้วิปัสสนา หรือท่านจะเรียกว่าสมาธิแล้วก็เรียกว่าปัญญาเอาปัญญาปัญญาก็คือพิจารณาเอาจิตที่มีสมาธินี่แหละพิจารณาทางด้านปัญญ า, อาพอพิจารณาไปพิจารณาไปเหน็ดเหนื่อยเราอยาไปคิดง่า ย, า ย, ยๆกุ้วยๆพิจารณาง่ายๆวะยานกล้จะเกิดแล้วยานกล้จะเกิดแล้วคิดถึงแต่ยานอยู่ร่ำไปท่านทั้งหลายยานที่เรากะเราเกณฑ์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราเระวังให้ดียานปลอมทั้งนั้นยานปลอมทั้งนั้น คำว่ายานที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเรานั้นนะเป็นเองเกิดเองกะเกณฑ์ไม่ได้คุณธรรมเราคุณธรรมเราใดก็ตามที่เรากะเราเกณฑ์ให้เป็นไปนตามใจหวังเออโผล่ขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วระวังให้ดีของปลอมอของปลอมทั้งนั้นถ้าเป็นของแท้แล้วมันจะมันจะเกิดขึ้นมาแบบ เกินคาดเกินหมายเกินเดาของเราจนเราเอกใจน จ, นออนจนเราอดอุทานไม่ได้อ๋ออ๋อจนเราอดอุทานไม่ได้แต่เราต้องทำอย่างยิ่งยวดไม่ใช่เราทำทำท ำ, ท ำ, ทำเหมือนเราอย่างเราถูไม้จนเกิดไฟเนี่ยเราถูยังไงไฟถึงจะเกิดขึ้นเป็นเปลเวได้ใช่บางทีเราเอาไม้สดๆไปถูกันก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นเปลเวขึ้นมาได้เอาไม้แห้งไปถูกันแล้วก็ตามถูๆๆก็หยุดถูๆๆแก็หยุด ในระหว่างที่หยุดไฟมันก็เย็นลงไปแล้วคิดได้อีกเอามาถูอีกถูอีกแล้วเมื่อไรจะจะมีเปลวขึ้นมาในระหว่างที่เราถูถูไปถูไปถูไปถูไปถูจนเป็นเปลวขึ้นมาเงี้ไม้ที่เราถูกับเปลวไฟที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไหมแตกต่างกันมากแตกต่างกันมากสมัยทุกวันเนี่ยเขามาดัดแปลงเห็นไหมไฟเช็คระหว่างหินกับเหล็กเห็นไหมพอเอามือหมุนปับ๊บมันก็ไป มันก็ไปทําให้เกิดหมุนเกิดสัมผัสเกิดเป็นประกายแวบบขึ้นมาเป็นไฟอ่าเสร็จแล้วก็มีแก๊สสลับปล่อยแช็คลงไปแล้วมือกดไว้แก๊สมันก็ออกมาใช่ไหมพอน้ําแก๊สออกมาระเหยออกมาไฟมันก็กินชูเป็นไฟอันนี้ก็ดัดแปลงธรรมชาติแท้ที่จริงธรรมชาติเหล่านี้มนุษย์ดัดแปลงให้เปลี่ยนไปตามหลักของธรรมชาติถ้าผิดหลักธรรมชาติมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะฉะนั้น อันนี้อย่างทุกขังอนัตตาเคยมียังไงก็เป็นอย่างนั้นเราไปดัดแปลงไม่ได้เราดัดแปลงได้แต่เราต้องเรียนแบบธรรมชาติแม้แต่เขาสร้างเด็ ก, ดกในหลอดแก้วนี่ก็คือเรียนแบบธรรมชาติเป็นไปตามหลักของธรรมชาติถ้าหากฝ่าฝืนผิดไปจากระบบระแบบระเบียบของหลักธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นไม่ไม่สามารถจะเกิดได้ มนุษย์ฉลาดสามารถเรียนแบบธรรมชาติได้โดวยวิธีนี้เรามาดูทุกวันที่พูดที่เขาฉลาดในการตอนในการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเปลี่ยนจากพันธุ์นั้นมาเป็นพันธุ์นี้โดยเฉพาะอย่างพืชพวกพืชพวกต้นไม้ต่างๆเปลี่ยนจากพันธุ์นั้นมาเป็นพันธุ์นี้จากพันธุ์นี้ไปเป็นพันธุ์นั้นพวกผสมพันธุ์เทียมพันธุ์จัดอะไรต่ออะไรเนี่ยมนุษย์ดัดแปลงธรรมชาติ แต่ต้องเรียนแบบธรรมชาติผิดไปจากห ล, ลักธรรมชาติเป็นไม่ได้สรุปลงแล้วก็คือกระแสเดียวกันกระแสนอนิจจังทุกขังอนัตตากระแสของสังขารเป็นไปตามหลักเป็นไปตามกฎเป็นไปตามเกณฑ์ของเผ่าพันธุ์ความเป็นสัตว์ความเป็นมนุษย์จะเกิดที่ไหนอะไรยังไงก็เป็นไปตาม เ, าม เ, ามเามผ่าพันธุ์เหล่านั้นนี่เราพูดถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดง แล้วก็มีข้อปฏิบัติให้เราตั้งใจศึกษาตามประพฤติตามปฏิบัติตามไม่ทิ้งศิ น, นแล้วพยายามเจริญสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อเห็นสัจธรรมที่เป็นเหตุให้เราลุ่มหลงพิจารณาไปจนทําลายความลุ่มหลงได้เรามีญาณอย่างรู้รู้อะไรญาณของเราจะรู้นะรู้อะไรรู้ความโง่ของตัวเองรู้ความหลงของตัวเองพิจารณาให้ดีรู้ความโง่ของตัวเองรู้ความหลงของตัวเอง คืออะไรก้นอุบายมายาของตัณหาที่มีอยู่ภายในหัวใจของเรามันมาหลอกเราโมหะมันมาหลอกเราทุกระยะทุกเวลาด้วยเหตุที่เราเจริดมีสติมีสัมผัสัญจะมีปัญญามีความละเอียดแยกยนพอพิจารณากิริยาอาการพิจารณาไปพิจารณามาพิจารณาไปพิจารณามาเหมือนกับการขัดการสีในที่สุดประกายไฟกับวักออกมาเกิดปัญญาเกิดปัญญายาน ถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับเปลวไฟมันเกิดขึ้นในระหว่างที่มันสัมผัสกันเป็นประกายแล้วก็เป็นเปลวขึ้นมาให้เราได้ใช้ถ้าทำไม่ถึงขีดถึงขั้นโอกาสที่เปลวไฟจะเกิดขึ้นเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ดอกเพราะฉะนั้นใครก็ตามบุญกรรมของท่านบุญกรรมของเราตั้งอกตั้งใจทำไปด้วยเหตุที่เราทำทุกครั้งเราก็มีผลสะสมมีผลเพิ่มทุกครั้งไม่มีการทาเปล่าไม่มีการทาเสียเปล่าไม่มีการทาศูนย์เปล่า คนหนึ่งทําง่ายคนหนึ่งทํายากประเภทคิปลาปิญญาประเภทสุขาปฏิปทาทันธาปิญญาสุขาปฏิปทาคิปลาปิญญาปฏิบัติสะดวกสบายบรรลุง่ายปฏิบัติสะดวกสบายบรรลุยากทุกขาปฏิปทาทันธาปิญญาทุกขาปิปทาคิปลาปิญญาปฏิบัติลําบากแต่บรรลุง่ายปฏิบัติลําบากด้วยบรรลุยากด้วย ท้งนี้เป็นไปด้วยจริตด้วยนิสัยของไข่ของเราบางทีก็เป็นประเภทพุทธเวไนไนอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้านี่เราพูดถึงสมัยพุทธกาลก็ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนอย่างพระจุลบรรทกเนี่ยต่อเมื่อพระพุทธเจ้าท่านมาสอนอธิษฐานภาคขาวให้มาบริกรรมท่านั้นอะไรโชระนางอะไรโชฮรนางอะไรโชฮรนั ง, น ง, นงผลอนานิสงส์ของกรรมเก่าก็ส่งสะท้อนขึ้นมา ท, าทันทีเคยได้ปฏิกูลสัญญาทําให้พระ ยุรบาลถกได้ปฏิกูลสัญญาพระพุทธเจ้าแสดงพุทธนิมิตให้เป็นวิปัสนาได้พิจารณาปึง้งเดียวได้บรรลุ ธ, ธรรมเห็นไหมมหาบัณฑถกสอนมาทั้งพภาษาแค่สองแถวก็จําไม่ได้สอนให้ท่องคาถาอะไรบรรลุท่องจําไม่ได้จะหนี้ไปศึกพุทธเจ้าเรียกมาให้บริกรรมคาถ า, ายังสิ้นระยะเวลาไม่เท่าไหร่ได้บรรลุ ธ, ธรรมสามารถพลิกจิตได้จากคนคนเดียวเนี่ย มีฤทธิ์มีเดชแสดงให้เป็นพันคนได้มีประเภทพุทธเวนยนะทุกคนเลยจึงมีจริตมีนิสยัยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจริตนิสัยของท่านก็คือของท่านของเราก็คือของเราพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอ่าโดยเฉพาะตรงนี้เป็นลานทำได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์องค์นั้นบ้างอ่าได้อบายได้วิธีอย่างนั้นก็เอาไปทาจากครูบาอาจารย์องค์นี้บ้างได้อบายได้วิธีก็เอาไปทาบางทีก็ องนั้นถูกกับจริตนิสัยของเราบางทีอง์นี้ถูกกับจริตนิสัยของเราเราก็น้อมนําไปประพฤติน้อมนําไปปฏิบัติขอให้มีนิสัยน้อมนําธรรมะมาประพฤติมาปฏิบัติเราไม่คลาดเคลื่อนจากประโยชน์ที่เราจะพึงได้รับอันนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์เราที่จะพึงรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้เราจัดให้มีการเทศมีการอบรมทุกๆวันเสาร์แบบนี้ที่เราทําแบบวันนี้มีการ สวดพระพิธรรมแล้วก็มีการแสดงธรรมแล้วก็มีอีกวันหนึ่งก็คือวันพระนี่เท่าที่เราถามกับท่านอาจารย์สมศักดิ์นะพอดีท่านจะาอาวาสท่านไม่อยู่พอดีท่านจะอาวาสเนี่ยท่านรู้จักเรามาตั้งนานแล้วเราเคยมาตั้งแต่งานศพหลวงปู่สงวนเนี่ยเราเคยเข้ามาตอนนั้นทีมของบรรดาเรามาได้กราบได้ไหว้ได้อะไรไปในที่นิมนต์ก็ไปเจอกันหลายแห่งแต่ท่านก็พึ่ง มีโอกาสได้ไ ด, ไ, ดได้คุยแล้วก็ได้นิมนต์ให้เรามาล้วก็เห็นว่าเออมา เ, ออเรามาธุระวันพรุ่งนี้ด้วยก็เลยพ่วงวันนี้ให้เป็นตอนค่ำพ่วงวันนี้ให้เป็นตอนค่าเราเลยมีโอกาสได้มาพูดคุยธรรมะสู่กันฟังท่านทั้งหลายฟังแล้วน้อมน ำ, นำข้อประพฤติปฏิบัติที่เราได้ยินได้ฟังอัดธรรมนี้น้อมระลึกบูชาแก่ครูบาอาจารย์มีท่านพระอาจารย์สนองกะตะุญโยเป็นต้น แล้วก็ต้นต่อรากเง่ามาจากหลวงปู่สงวนเขมโกวัดทุ่งสามมะคีเราเคยไปวัดทุ่งสามมะคีเดี๋ยวนี้ศพทา่านก็ยังอยู่ที่นั่นอาจารย์สนองท่านก็นอยู่ตรงนี้และพวกเราทั้งหลายเป็นเป็นสิทธิอนุสิ์เป็นลูกสิทธิเป็นหลานสิทธิเป็นเหลนสิทธิพวกเราก็ไม่ทอดทิง้งร่องรอยที่ครูบาอาจารยา์ท่านพาดําเนินอันนี้เป็นงานพิเศษของมนุษย์เรานะถ้าใครไม่สนใจงานเหล่านี้แล้ว ถ้าใครไม่สนใจงานเหล่านี้แล้วท่านหวังว่าท่านจะได้พบพระสียารยะเมตไตรไม่มีโอกาสที่จะได้พบดอกถ้าหากไม่สนใจงานเหล่านี้แล้วมันจะดึงเราออกนอกหมดนะไม่รู้จักทานไม่รู้จกักศีลไม่รู้จักภาวนาแล้วไม่มีโอกาสได้พบพระสียารยะเมตไตรดอกเมื่อเราเข้ามาพบแล้วเนี่ยเราเห็นทุกเห็นโทษเห็นไผ่เราพอจะถีบตัวให้พ้นไปในอัตภาพนี้เราก็สามารถทําไปได้ดูแต่ท่านพูดเอาไว้ในมหาสตีเนี่ย 7ปีเปียกไว้6ปี6ปียกไว้5ปี5ปียกไว้4ปี4ปียกไว้3ปี3ปียกไว้2ปี2ปียกไว้ 1>, 1ปี1ปียกไว้7เดือน7เดือนยกไว้6เดือน6เดือนยกไว้5เดือน4เดือนมา3เดือนมาครึ่งเดือนมา7วันท่านบอกว่าถ้ายังมีสังโยชน์อยู่ถ้ายังมีสังโยชน์อยู่ มีพระอนาคามีเป็นที่สุดท่านว่ากันนะถ้ายังมีสังถ้าไม่มีสังโยชน์อยู่ก็ได้เป็นพระอรหันต์แต่ถ้ายังมีสังโยชน์อยู่หมายความว่ายังไม่รู้ถึงความเป็นพระอรหันต์มีพระอนาคามีสูงสุดหรือไม่ก็รองลงมาพระสกิทาคาหรือรองลงมาพระพระโสดาบันหรือไม่ก็เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบัน ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันอันนี้คณะว่าเป็นผู้ที่ละเอียดอ่อนมากนะคนประเภทนี้มีบุญเวลาพระเสียริยะเมตไตรามาเราพร้อมที่จะไปกับขบวนของท่านใดเลยแต่ถ้าหากเราไม่สนใจถึงขนาดนี้ไม่มีโอกาสได้เจอไม่มีโอกาสเจอแน่นอนอันนี้เป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจว่าพวกเรารีบเร่งบาเพยียในอัตภาพนี้เราสามารถรีบเร่งไปให้ได้อริยธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่ง ก็เป็นบุญเป็นวาสนาของเราถ้าหากพยายามถีบตัวไปให้ถึงไปให้ได้แต่มันยังไม่ได้สักขั้นหนึ่งแต่ยังอยู่ในขั้นพยายามเราอาจจะเคยพยายามมานะมาแล้วพระกุสันโทก็ไปยังไม่ได้โคนาคัมโนกัดสโปแม้แต่พระโคตโมนี้เราก็ ย, ยังไปไม่ได้ด้วยเรี่ยวแรงที่เราพยายามพระศีรยะเมตรัยมาขบวนสุดท้ายในกัปนี้เรามีโอกาสขึ้นขบวนไปได้เลย เพราะฉะนั้นผลอานิสงส์ทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังและประกอบกองการกุศลถวายครูบาอาจารย์ทุกวันขอผลอานิสงส์ส่วนนี้จงตามอํานวยอวยใจให้พรท่านทั้งหลายได้อัดได้ทำได้ประสบความสุขความเจริญในอัถภาพนี้ในอัถภาพนี้ทั้งอบาสกทั้งอบาสิกาทั้งครูบาอาจารย์ศิทธิญาณสิทธิของท่านพระอาจารย์สนองทุกทุกท่านทุกๆองค์โดยทั่วหน้ากันเอวัง สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิาา ร, รับผ่อนนะอุทิศส่วนบุญไปอุทิศส่วนบุญบูญชาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านพาพวกเราปฏิบัติธรรมท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมท่านก็ไปของท่านพวกเราอยู่เราก็เอาทำเอาของเราเรามีบุญเต็มที่เต็มเต็มเปี่ยมเต็มแปร่ ก็เป็นพลังช่วยอุทิศส่วนบุญบูญชาคุณของท่านถือว่าเป็นการกัตัญจูกะตะเวทีเป็นการบูชาธรรมกับครูบาอาจารย์ตั้งใจอุทิศส่วนบุญไปครูบาอาจารย์พิดามันดาปุยญาตายายเจ้ากรรมนายเวทสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าลืมร็จแล้วโลกนี้กามาโลกรู ป, ปรโลกอารมณ์ปปโลกและใครจะมีกําลังไปถึงจะทําให้โลกเหล่านี้ชุ่มเย็นด้วยอัดด้วยธรรม <c oughs> ยา ทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาขารังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิตจตุสะเพะปูเรนตุสังกปามจันโทปนะระโสยาทามานิโชติระโสยาทาสพีติโยวิวัชันตุสภโรคโควินัสตุมาเต วัตตวันตระโยสุขีธีขายยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปัยโนจัตารโรธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสะทาโสถีพวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสธาโ ส, สถีพวันตุเตภวะตุสัพพมังฆลังรักขันตุสัพเทวต่าสัพสังฆานุภาเวนะสธาโสถีพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกร น, น, น้อมกราบในความเมตตาจากหลวงพ่อบุญมีธรรมรโต ท่านเมตตาเดินทางมาแสดงธรรมโปรดลูกหลานที่วัดสังกทานค่ะซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธา น, นีนะคะขอน้อมกลาบ